เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการกระทำของตนเองนั้นนั้นย่อมขึ้นอยู่กับวิบากของตัวคือถ้าเป็นคนที่มีวิบากมาดีมากก็จะมีโอปปปาติกาชั้นดีมากมาคอยให้ความช่วยเหลือถ้าเรามีวิบากเลวมากก็จะมีโอปปปาติกาชั้นเลวมาคอยบันดาลใจเราอยู่เบื้องหลังชักจูงให้เรากระทำแต่สิ่งร้า ย, ายคนที่มีเคราะห์กรรมร้ายๆเช่นคนที่ถูกรถชนตาย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 เพราะวิญญาณมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันคือมีวิบากไม่เหมือนกันกฎอันนี้เป็นหลักที่มองเห็นกันได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เข้าใจซึ้งในเรื่องของวิญญาณจึงไม่ยากในอันที่จะมองเห็นว่าผู้ที่มีวิญญาณมาอย่างเดียวกันย่อมดึงดูดเข้าหากันตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือ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 รั้นและโอปปปาติกาที่เคยอยู่ด้วยซึ่งเป็นคนดีก็จะอยู่ไม่ได้และพร้อมกันนั้นก็จะทำให้พวกรา้ายเข้ามาแทรกและในทำนองเดียวกันคนที่เคยประพฤติ ช, ชั่วมาก่อนต่อมาภายหลังกลับใจได้ประพฤติแต่ในทางดีโอปปปาติกาที่ร้ายก็จะออกจากคนนั้นไปและจะมีโอปปปาติกาที่ดีเข้ามาช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ตามปกติ และเป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่คนทั้งหลายไม่รู้เอง